ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตปรพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันนาพระอมาราธิรคิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสโรจนาต่อไปจะเป็นสุทิกะปาจิตตีในวัคที่สองในภูตคามาวัดที่สองประดับด้วยสิกขาบทสิบ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 ดังของเกิดที่กำแพงและหินและเสวลาชาติพวกสารายจอบแหนเล็กดังเมล็ดพันธ์ ก, กาษยังสดเขียวอยู่ตั้งอยู่ในที่แห่งตนชื่อว่าพูตคามสิน้นก็คือเป็นพูตคามทั้งนั้นภิกตุรู้อยู่ทำให้กำเริบคือถอนขึ้นจากที่ยกขึ้นจากน้ำและตัดต่อยฟันแทงเผาเองหรือว่าให้ผู้อื่นทาให้กาเริบ โดยในดังกล่าวแล้วในปฐวีคณะสิกขาบทต้องอาบัตตาจิตตีเพราะฉะนั้นก็ทั้งขุดดินแล้วก็ตัดต้นไม้นะสองสิกขาบทนี้เป็นสามปติกะเพราะว่าใช้คนอื่นก็เป็นอาบัติทั้งนั้นต้นไม้ต้นหญ้าถาวันทั้งปวงนั้นเขาพรากออกจากภูตคามแล้วคือถอนตัดมาจากที่แล้วจะเป็นของมีรากและรำต้น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 อวบทุกกฎก่อนเป็นภูตกรรมและพีชคามพิสูจสําคัญว่าไม่ใช่แล้วให้กําเริบและพิสูจเป็นบ้าเป็นต้นไม่เป็นอวบถ้าแม้เป็นภูตกรรมหรือพีชคามแต่ว่าสําคัญว่าไม่ใช่นะแล้วก็ไปทําให้กําเริบนี้ก็ไม่เป็นอวบเพราะว่าเข้าใจว่าไม่เป็นไม่แกล้งนะกริ่งหินนะต้นไม้เป็นต้นหรือว่าลากกิ่งไม้และเอาไม้เท้าจดพื้นเดินไป หญ้าเป็นต้นขาดไปเมื่อไม่แกล้งก็ไม่เป็นอบัตด้วยฉะนั้นทิศาบนนี้ก็ต้องเป็นสัจจิตกาถ้าไม่มีเจตนาจะพลากจะแกล้งก็ไม่มีอบัติเพราะไม่แกล้งจะให้ขาดไม่มีสตินางทรงจิตไปอื่นพูดอยู่กับผู้หนึ่งเอาหัวแม่เท้าหรือว่ามือตัดเด็ดหญ้าหรือว่าถาวนอยู่ไม่เป็นอบัติด้วยไม่มีสติไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นพิญญคามหรือว่าภูตคามอยู่ข้างใน และไม่รู้ว่าตนทําให้ขาดอยู่เป็นแต่เอาเหล็กชัยหรือว่าจอบหรือว่าเสียมแทงเข้าไปในรูลอมฟางเพื่อจะเก็บถือไปไหม้มือแล้วก็ทิ้งไฟลงถ้ายญ้าเป็นต้นในที่นั้นขาดไปหรือว่าไหม้ไปก็ไม่เป็นอบปับเพราะว่าไม่ได้เจตนาไม่รู้ไม่ได้แกล้งและไม่นิยมคือไม่กําหนดว่าต้นไม้นี้ต้นไม้นั้นเป็นแต่กล่าวว่าท่านจงตัดต้นไม้ตัดถาวันก็ดีและกล่าวว่า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 ไม่ได้เจาะจงถ้าไปกําหนดนะบอกให้ตัดต้นโมโมต้นนี้หน่อยตัดกิ่งนี้หน่อยอันนี้เป็นอบัตในสกขาบทนี้ในบาลีภูตคามท่านเรียกว่าผีชะไม่เรียกว่าผีชคามในอัจฉริยสอนให้ถือเอาเนื้อความว่าภูตคามที่เกิดแต่พืชมีรากเป็นต้นเรียกว่าผีชะก็เป็นภูตคามภูตคามเขาเรียกว่าผีชะไม่จะเรียกว่าผีชคาม เหมือนคําว่าสาลีนังโอดโนสาลีนังโอดโนแปลตามศัพท์ที่มีอยู่ว่าข้าวตุกแห่งข้าวสาลีแต่ถอนให้ถือเอาความว่าสาลิตันดุลานังโอดโนว่าข้าวสุกแห่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีชื่อว่าสาลีนังโอดโนก็คือข้าวตุกแห่งข้าวสาลีแต่ก็หมายถึงข้าวสุกแห่งข้าวสารซึ่งมาจากข้าวสาลีนั่นเองพระอาศัยคาในพระสูตรว่า พีชคามภูตะคามสมารัมพาปฏิวิรโตแปลว่าเทศุย่อมเป็นคนเว้นจากความปรารบคือทําพีชคามภูตะคามให้กําเริบแล้วกล่าวว่าพืชมีรากเป็นต้นเกิดอยู่ในที่ชื่อว่าภูตะคามเพราะนั้นจ้าเป็นพืชที่มีรากแล้วเกิดอยู่กับที่นี้เรียกว่าภูตะคามแต่จ้าท่าจากที่แล้วคือพลาดให้พ้นจากภูตะคามแล้วชื่อว่าพีชคาม ทีจคามน่เปวัตถุแห่งทุกโกรธภูตคามเป็นวัตถุแห่งปานจิตตีีจะคามนั้นเมื่อจะบริโภคพึงให้อนุสัมบัณทํากับพิยะเสียอีกเพื่อจะให้พ้นจากทีจะคามก็เลอาการซึ่งจะทํากับพิญะนั้นจะกล่าวในเบื้องหน้าสิขาบทนี้เป็นสานติกาสานติกะสาัตฏิกา ร, ากา ร, าการทาด้วยมือของตอนเองาสานติกานี่หมายถึงว่าใช้ให้เขาทําก็เป็นอบัติถ้าอนานติกะนี่ใช้ให้ทํานี่เป็นอบัติผู้ทําต้องอบัติ ฐานะติกะใช้ใทำเป็นอภัตฐานะติกะก็มีองค์สามก็คือเป็นภูตคามอย่างหนึ่งอันที่สองก็รู้อยู่ว่าเป็นภูตคามองค์ที่สามก็คือให้กำเริบเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นทำให้กำเริบพร้อมด้วยองค์สามนี้ก็เป็นป่าสิตรีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปัทวีคณะนักปิกขาบทเลยส่วนปัทวีคณ น, นักปิกาบทก็เหมือนกับอคินนาทานสมุทฐานนั่นเอง ก็คือมีสมุทฐานสามได้แก่กายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเภทสจิตกะแต่ว่าอินาฐานนั้นเป็นโลกวัชระส่วนข้อขุดดินกับตัดต้นไม้นั้นเป็นปันณักติวัชระเป็นกายกรรมอาชีกรรมเป็นอะไรสัญญาวิโมกเพราะว่าเป็นสจิตจกะเป็นกายกรรมวิชีกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามมีจิตสา ม, มเวทนาสามเหมือนกันอจินาฐานก็จิตสา ม, มเวทนาสาม ต่อไปสิกขาบทตอที่สองชื่อว่าอัญญาวาตกะสิกขาบทความว่าพิจุดายต้องอาบัตเป็นสาวะเสตก็คือยังมีส่วนเหลือเมื่อสงสักไซในท่ามกลางสงไม่ปรารถนาจะแจ้งความนั้นผู้จาปลกเปลือนซักไปว่าใครต้องต้องอย่างไรต้องที่ไหนเป็นต้นกัดีหรือนิ่งเสียทำให้สงลำบากปดีต้องอาบัตทุกกดครั้งสงยกอัญญาวาตกรรแล้วก็คือส่วนสมุุภาพนะ ส่วยติเพราะพูดกบเกลื่อนหรือว่ายกวิเหตตกรรมแล้วเพราะเธอนิ่งเสียทําให้สงบาด้วยยติพูดอิจกรรมวาจาแล้วสงซักไซอีกกล่าวคํากรบเกลื่อนเสียหรือนิ่งเป็นปัจจิตีทำทั้งสองอย่างก็เป็นปัจจิตีสองตัวเลยในสิกขาบทที่สามชื่อว่าอุจชาปนากะความว่าพิจตุชวนพิจตุอืน่น ให้ดูถูกซึ่งพิจูอังสง์สมมุติให้เป็นผู้ทําการสงมีปูอาสนะและแจกล่าบเป็นต้นหรือติเตียนพิจูเช่นนั้นในสำหนักพิจูด้วยกันว่าเธอทําด้วยฉันทาคติเป็นต้นดังนี้ได้ปรารถนาอาวรรณทโทษแก่เธอนั้นก็คือจะปรารถนาในการที่จะใส่ร้ายในการที่จะประกาศโทษอวรรณะก็คือไม่สนเชิญก็คือติเตียนนั่นเอง และเธอนั้นไม่ได้ทําด้วยอคติตีมีฉันทะาาคติเป็นต้นเธอผู้ติเตียนต้องปัจจิตีทันทั้งสองอย่างก็ต้องปัจจิตีสองตัวก็คือกุชาเป็นนักเกียนเกเป็นผู้เพ่งโพรธนาหรือว่าเป็นผู้ด่าว่าในสมมติกรรมที่สงฆ์ทำแก่ทิสุผู้ทําการส่งนั้นเป็นธรรมเป็นติกะปัจจิตีถ้าเกิดก็สมมุติให้ทิสุที่ดูแลเทนัสนะกู ถ้าถือว่าแจกกล้ามเนี่ยเป็นคำเป็นธรรมก็ไปใส่ร้ายไปเพ่งโทษติเตียนด่าว่าเป็นติกรรมจิตตีในการไม่เป็นธรรมเป็นติกรรทุกกฎติเตียนในสำนักอนุสัมพันธหรือว่าติเตียนกล่าวโทษอุปสัมบันิที่สงไม่ได้สมมติในสำนักผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีหรือติเตียนอนุสัมพันที่สงสมมุติก็ตามไม่ได้สมมุติก็ตามทําการสงโดยธรรมนั้น ในตำนักแห่งผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีเหล่านี้เป็นทุกกฎอย่างเดียวาเขาไม่ใชได้สมมุติแต่ว่าเขาก็ทําไปอย่างดีแล้วก็ไปติเตียนเพ่งโทษโภชนาถาว่าเนี่ยก็อบัตทุกกฎแต่ว่าถ้าเขาสมมุติแล้วให้ทําการส่งแล้วก็ไปติเตียนเนี่ยบัตประจิตีชวนพิสุให้ดูหมิน่นหรือว่าติเตียนผู้ทําการส่งอยู่ด้วยอัคติสีมีฉันทะคติเป็นต้นไม่ชอบทําโดยปกติและพิสุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัติถ้าเกิดเขา มีอาคาติจริงๆแล้วก็พูดติดเตียนว่าร้ายอย่างนี้ก็ไม่เป็นอาัตที่ขาบทข้อนี้เป็นอนานติกามีองค์หกก็คือผู้ทําการสงได้สมมุติด้วยกรรมเป็นธรรมอย่างหนึง่งผู้ทําการนั้นเป็นอุปสัมบันิคือเป็นปิตุไม่มีความถึงอาคาติไม่มีอาคาติสีใครอวรนนโทษก็คือกล่าวติดเตียนแต่ผู้นั้นองค์ที่ห้าก็คือผูดในสํานักผู้ใดผู้นั้นเป็นอุปสัมบันิไปกล่าวติโทษกับ อุปธรรมบานด้วยคือไปติเตียนทิสุที่ได้รับทําการสงฆ์แก่ทิสุอื่นนั่นเองแล้วก็ชวนให้ดูหมิน่นหรือว่าติเตียนพร้อมที่องมหกนี้ก็เป็นปจัจจิตีสมุติฐานวิธีเป็นต้นเหมือนด้วยอธินนาทานสิกขาบทนะแต่สิกขาบทนี้ก็เป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวสิกขาบทนี้เป็นสมุดฐานเหมือนกับอธินนาทานกายจิตวิาจารจิตกายวิาจารจิตแต่ว่าเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียว สิกขาบทที่สี่ชื่อว่าปฐมเสนาสนะสิกขา บ, บทความว่าภิกตุใดแต่งตั้งภูราตเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นแต่งตั้งภูราตซึ่งเตียงหรือตังหรือฟูกหนังฟูกผ้าหรือเก้าอี้ในอโชก่าคือที่แจ้งในฤดูฝนสี่เดือนและมณดที่ฝนรั่วได้และโคนไม้เป็นที่อยู่หนึ่งนิดแห่งกาและนกตระกูลเป็นต้นเมื่อจะรีไปไม่รื้อเก็บเองหรือว่าไม่วานผู้อื่นให้รื้อ เก็บของนั้นไว้ที่สมควรหรือไม่สั่งเสียมอบหมายแก่พิจุณ ส, สามเณรและคนรักษาวัดและอุบาสกซึ่งเป็นลัชชีสําคัญประหนึ่งว่าธุระของตัวเหล่านี้ผู้ใดผู้หนึ่งก่อนหมายถึงว่าถ้าไม่ไปบอกกับผู้ที่เป็นลัชชีพิจุหรือคนวัดเขาจะได้ดูแลรักษาถ้าไม่บอกก่อนแล้วก็ไปล่วงเล็ุบาต ท, ที่ก้อนดินตกที่ตกแห่งก้อนดินแห่งมัชิมบุรุษกว้าง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 ในที่เหล่านี้ไม่รื้อเก็บก่อและไปไม่มีโทษถ้าไม่ใช่ฤดูฝนหรือว่าไม่ใช่ที่มีที่นกที่การต่างๆมันร้อนเทอะคนดีกกาไม่มีโทษที่ตุตั้งไว้ปูไว้เพื่อผู้อื่นผู้อื่นนั้นยังไม่มานั่งในที่นั้นหรือยังไม่กล่าวว่าท่านจงไปเถิดตราบใดยังเป็นภาระแก่ผู้ลาดอยู่ตราบนั้นอุปสมบันินั่งในเตียงต่ําเป็นต้นที่ตนตั้งเองหรือว่าเผาลาดไปแล้วโดยปกติอันใด ของทั้งพวงนั้นเป็นภาระแก่ผู้นั่งแท้ใครมานั่งก็เป็นภาระแก่ผู้นั้นนะที่ตูดยืนอยู่นะโรงฉันบังคับว่าท่านจงไปสร้างไว้ราดไว้ในที่อยู่กลางวันชื่อโนู้นแล้วจงไปเถิดแล้วเธอผู้บังคับออกจากโรงฉันนั้นไปเสียในที่อื่นเจ้วิเนทรพึงกลับอบัตเธอด้วยจกเท้าถ้าเป็นตั้งในเจ้าไปตั้ ง, ง, งเจียงตั้งไว้แล้วตัวเองจะต้องไปดูแลถ้าไปในที่อื่นก็เลยเสียนอสนะที่ตั้งนั้นไปก็เล็ดทุบาทตับอบัตด้วยยกเท้า ในเตนท์อาณาเป็นของสงเป็นติกาปจิตตีในขอบบุคคลเป็นติกาทุกกฎเครื่องลาดรักษาสีพื้นเครื่องลาดบนเตียงเครื่องลาดพื้นเสื่อลำแผ่นเสื่ออ่อนท่อนหนังผ้าเช็ดเท้าตั้งกระดานหรือว่าเครื่องไม้เครื่องดินโดยที่จุดแม้เครื่องรองทําด้วยใบไม้เหล่านี้เที่ยวตั้งไว้ในอชโชกาดหรือในที่แจ้งนั้นมีลักษณะดังว่าแล้วไปเสียก็เป็นทุกกฏ พวกเครื่องล่าต่างกระดานเครื่องไม้ต่างๆอันนี้ไปวางไว้กลางแจ้ ง, ง, าททางก็มยอาบัดเหมือนกันก้อนแร่ปิกสูผู้อยู่ป่าเมื่อที่ฝนไม่ตกทับได้ไม่มีมก็คือฝนตกเปียกหมดนั่นแหละแล้วจะเอาของทั้งปวงแขวนต้นไม้ไว้หรือว่าสัตว์มีปลวกเป็นต้นจะไม่จับได้อย่างไรแม้จะทําไว้อย่างนั้นแล้วจึงไปราะควรเมื่อมันไม่มีที่อื่นเข้าไปไว้กลางแจ่นแหละแขวนไว้ที่ต้นไม้ก็ได้ที่ตรวกไม่กินเอาญ้าเอาอะไรมุงไว้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 อนมนุษย์มานั่งหรือว่าคนที่เป็นอิสระมาถือเอาสันตร้ายมีราชสจดีเป็นต้นมายืนอยู่ในที่นั้นเหล่านี้สิ่งในสิ่งหนึ่งมีแล้วไม่เก็บก็ดีหรือว่าไปเสียเพราะกลัวอันตรายแก่ชีวิตและพรมจันทร์เป็นต้นประดีและที่สุป้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัติสิกขาบทข้อนี้เป็นสานักติกาใช้ให้เป็นแต่งตั้งก็มีอบัติด้วยมีองค์หกก็คือเตียงต่างเป็นต้นเป็นของสงอย่างหนึง่ง ลาดเองหรือใช้ผู้อื่นให้ลาดในที่มีลักษณะดังกล่าวแล้วอย่างหนึง่งข้อที่สามว่ไม่มีถึงใดการกั้นอยู่ข้อทีส่สีไม่มีอันตรายข้อที่ห้าไม่เหลยวแลในที่จะกลับมาเก็บข้อที่หกล่วงเล็ดตูบาทไปก็พร้อมด้วยองค์หกนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุดทางวิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยปรถมกับสินสิกขาบทแปลแต่สิกขาบทนี้เป็นกิริยาเกียริยาก็คือต้องระทำด้วยต้องเระไม่ทำด้วย ต้องเพราะทำคืออะไรก็คือทาการตั้งตั้งเทียงตั้งของส่งไว้ในที่แจ้งแล้วก็พระคิวบยาก็คือไม่บอกให้คนอื่นรับรู้ไม่บอกให้คนอื่นเจ็บส่วนสมุดฐานตุฐานเหมือนกับปฐมกะถกินสิทาบทปฐมกะถินสิทธาบทก็เกิดแต่กายวาจากับกายวาจากิตสมุดฐานสอง บทฐานสโนสัญิโมกัจตะกะปันนาติวชากายกรรมะจีกรมกรมสิทสามเมตนาสามสิกขาบทที่ห้าชื่อว่าพุตธิยักเสน า, าสนาสนะสิกขาบทความว่าทิสตุใดถือเอาเครื่องปูนอนสิบอย่าง ก, ก็คือหนึ่งฟูกสองเครื่องราชรักษาสี่พื้นสามเครื่องราชบนเตียงต่างเป็นต้นสี่เครื่องราชพื้นห้าเสื่อใบตาลเป็นต้นหกหนังอันใดหนึ่งเจ็ดผ้านิสิตนะมีชายแปด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 ไม่รื้อเก็บเองหรือว่าไม่ให้ผู้อื่นหรือเก็บตั้งไว้อย่างนั้นหรือไม่บอกกล่าวมอบหมายผู้ใดผู้หนึ่งดังกล่าวแล้วในสิทาบทกรร่วงที่ล้อมอารามออกไปอารามไม่ได้ล้อมร่วงอุปจาระอารามออกไปในทางแรกก็เป็นทุกกฎถ้าอารามนั้นล้อมนะล่วงที่ล้อมของอารามนั้นออกไปถ้าอารามไม่ได้ล้อม่วงอุปจาระของอารามนั้นออกไป ในเท้าที่แรกเป็นทุกฏกในเท้าที่สองก็เป็นผัจจิตีก็แลในที่ใดความรังเกยียจด้วยปลวกไม่มีก็คือที่นั้นปลวกไม่ขึ้นเพราะว่าอย่างสมัยนี้ก็เป็นปูนซีเมนอย่างนี้นะแม้จะไม่บอกกล่าวมอบหมายผู้ใดผู้หนึ่งแล้วแลวไปจากที่นั้นควรอยู่ก็แต่บอกกล่าวมอบหมายเสียนั่นแหละเป็นวัดในที่หายมปของสงฆ์เป็นติกาปจิตีในของบุคคลเป็นติกัาทุกกฏก็หมายถึงว่าคือจะรู้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 ทิ้งเสียไปก็ดีคิดว่าจะมาเก็ตในวันนี้แล้วไปยังแม่น้ําหรือว่าในแวดบ้านคิดว่าจะไปต่อไปหยุดอยู่ณที่นั้นบอกกรามมอบหมายพอดีหรือว่าน้ำท่วมและโจรเป็นต้นกลางกั้นอยู่กลับมาไม่ได้ก็ดีหรือว่ากลัวอันตรายแก่ชีวิตและพระมจันทร์พอดีและที่ตุ่บ้างเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัติสิขาบทว่านี้ก็เป็นสารนัิการามการใช้ให้ไปปูราาก็เป็นอบัติมีองค์เจ็ดเลยก็คือ ที่นอนมีลักษณะดังกล่าวหมายถึงเป็นเครื่องลาดติดชนิดเนี่ยแล้วก็องค์ที่สองก็คือที่นอนนั้นเป็นของสงด้วยข้อที่สามลาดเองหรือว่าให้ผู้อื่นลาดในวิหารมีลักษณะดังกล่าวแล้วองคที่สี่ไม่มีผู้ ก, ากลางกั้นองคที่ห้าไม่มีอันตรายองคที่หกหลีดไปยังทิดในคิดจะกลับองคที่เจ็ดก็ร่วงอุปจาระสีมาไปพร้อมที่องค์เจ็ดนี้จึงเป็นป่าจิตตีสุมฐานวิธีก็เป็นเช่นดังกับสิกขาบทดังกล่าวมาวก็คือในปฐมเซนาสนะ มายถึงสมุทฐานเหมือนกับปฐมกฐินสิกขาบทก็คือต้องเอาว่าสมุทฐานสองกายวาจาอย่างหนึ่งกับกายวาจาเขียอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเขียวิยาเขรยิรยเขียวปิยเขียวิยหมายถึงว่าทําด้วยไม่ทาด้วยทําก็คือไปปูดาดในวิหารของสงฆ์เครื่องราชหลักนี้แล้วก็อจิริยาก็คือไม่บอกให้คนอื่นเก็บไม่ตังให้คนอื่นเก็บเป็นโนสัญญาโมกอจิตตะกานนาติวชะกา ย, ยกรรมะชีกรรมมีจิตสาม ม, รร ม, มีเวทน า, ทนาสามเหมือนกัน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 ทำบ่อยๆก็เป็นปฏิทินนับด้วยประโยคในวิหารใหญ่โดยรอบเตียงตังสอกคืบสอกคืบนนะเรียกว่าอุปจาระในวิหารแร็กเตียงตังได้นักที่ใดพอตั้งเตียงตังได้นักที่ใดแต่นั้นสอกคืบชื่อว่าอุปจาระเตียงตังแต่หินเป็นที่ล้างเท้ามาเตียงตังชื่อว่าอุปจาระที่เข้ามา แต่เตียงตังมาถึงถ่ายปัสสว ะ, วะ to to ที่ถ่ายปัสวะนะตั้งแต่เตียงตังมาถึงที่ถ่ายปัสวะชื่อว่าอุปจาระที่ออก น, นี่ยก็มีอุปจาระเตียงตังมีอุปจาระที่เข้าตั้งแต่หินที่ล้างเท้ามาถึงเ ต, ตียงตังในชื่อว่าอุปจาระที่เข้าตั้งแต่เตียงตังประโยชนตั้งถึงที่ถ่ายปัสสวะเรียกว่าอุปจาระที่ออกในวิหารเป็นของสง์เป็นติ ก, กะภาจิตตีในของบุคคลเป็นติกะทุกฏลาดเองหรือว่าให้ผู้อื่นลาดซึ่งที่นอนหรือว่าที่นั่ง และนอนในภายนอกอุปจาระดังว่าแล้วหรือว่าในโรงฉันเป็นต้นหรือว่าในอุปจาระแห่งกุฏิวิหารเหล่านี้ก็เป็นแต่เพียงทุกข์ดปูราดนั่งนอนในเสนาสนะเป็นของตนหรือเป็นของคนคุ้นเคยก็ดีที่สุขให้หรือทิ่สุหนาวร้อนเบียดเบียนแล้วเข้าไปก็ดีหรืออันตรายมีแต่ยถึงว่าเวลาหนาวมากก็เลยเข้าไปในกุฏิไปเบียดที่สุหน่อยหนึ่งไม่ได้เจตนาแกล้งแต่ว่าหนาวป่วยไม่สบาย และที่ตุบ้ามีอันตรายพวกนี้ก็ไม่เป็นอาบัติทิพย์ขามบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะนะท่านบอกไปนอนานติกะมีองคศีแต่ว่าใช้คนอื่นไม่เป็นอันไปทำคนไปกางกั้นี่ปูราดให้คนอื่นก็แพ้คนนั้นก็เป็นมีองคศีก็คือวิหารเป็นที่อยู่ของสง้อทีสองรู้อยู่ว่าผู้อยู่ก่อนไม่ควรจะให้ลุกข้อทีสามปรารนาจะให้ที่ตุนั้นครับแค่ ข้อที่ก็นั่งหรือนอนในอุปจาระเพราะฉะนั้นใช้คนอื่นไปนั่งไปนอนคนนั่งคนนอนและอ้าบัดคนใช้ก็ทํำในถึงไม่จำควรแต่ว่าไม่ต้องอ บ, บัดในข้อนี้พร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นป่าจิตตีสมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมประราชิกแต่ว่าแปลไตรขับบทนี้เป็นทุกขเวทนาปฐมประราชิกนั้นก็ต้องอ บ, บัตดด้วยกายจิตกายจิตสัจจิกะเป็นโลกวัชชะเป็นกายกรรมัญญาวิโมกแล้วก็เป็น อากุศรและจิตเวทนาสองแต่ข้อนี้ต้องเป็นทุกเวทนาอย่างเดียวเพราะว่าแกล้งสิกขาบทที่เจดชื่อว่านิกกัตนะความว่าภิกษุใดกโกรธภิกตุแล้วฉุดคล้าเองหรือใช้ผู้อื่นให้ฉุดคล้าออกจากวิหารคือกุฏิซึ่งเป็นของสงให้ล่วงประตูออกไปเป็นปาจิตตีปราสาทหลายชั้นหรือเรือนสี่มุกมีทุมมาก ในเตนะสนะเช่นนี้จุดค่าด้วยประโยคอันเดียวไม่หยุดในระหว่างเป็นปาจิตตีตัวเดียวจุดค่าด้วยประโยคต่างๆหยุดในระหว่างเป็นปาจิตตีนับด้วยประตูแม้ไม่ถูกต้องด้วยมือไล่ให้ออกด้วยวาจาก็อย่างนั้นและบังคับให้ผู้อื่นค่าออกพอบังคับก็เป็นทุกกฎบังคับคราวเดียวเขาจุดค่าให้ลวงประตูไปแม้มากก็เป็นปาจจิตตีแก่ผู้บังคับตัวเดียวถ้าใช้กําหนดว่าจงจุดค่าให้ค้นประตูเท่านี้ หรือรงจุดฆ่าให้ถึงประตูใหญ่ดังนี้เป็นปาจิตตีนับด้วยประตูในวิหารเป็นของสงก็เป็นปาจิตตีนับด้วยประตูเลยนะท่าบอกให้จุดฆ่าไปติดประตูก็บาดเสร็จตัวในวิหารเป็นของสง์เป็นติดกับปาจิตติในของบุคคลเป็นติดกทุกกฏและจุดฆ่าทิฏฐุหรือบริขารแห่งทิฏฐุออกจากอุปจาระวิหารมีโรงฉันเป็นต้น และจุดค่าอนุสัมปันธ์หรือบริขารแห่งอนุสัมปันธ์ออกจาก ว, วิหารหรือว่าอุปจาระแห่งวิหารเหล่านี้ก็เป็นแต่ทุกกฎนับตามบริขารบริขารที่ชิ้นก็เอาออกไปก็อบัติทุกกฎตามจํานวนเท่านั้นจุดค่าออกจาก ว, วิหารของตนหรือของคนผู้คุ้นเคยและจุดค่าผู้มัทธะหรือบริขารของผู้มัทธะแม้ออกจากอารามของทั้งสิ้นก็ดีหรือจุดค่าอารัชีผู้มีความละอาย และผิดถูกบา้าและปฏิวิหาริษัทอันเทวสิษฐ์ผู้ปฏิบัติไม่ชอบหรือจุดฆ่าบริขารขอคนเหล่านั้นออกจากที่อยู่แห่งตนก็ดีและที่ถูกบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติที่าบทข้อนี้เป็นสานกที่จะใช้ให้จุดฆ่าก็าเป็นอาบัติด้วยมีองค์สามก็คือวิหารเป็นของสงอย่างหนึ่งเป็นอุปสัมบัติพ้นโทษมีความเป็นคนมักทะเลาะเป็นต้นอย่างหนึ่งฉุดฆ่าเองหรือว่าให้ผู้อื่นจุดฆ่าอุปสมบัตนินั้น ด้วยความโกรธอย่างหนึ่งพร้อมในองค์สามนี้ก็เป็นปาจิตตีสมุทฐานวิธีก็เหมือนกับอธินนาทานสิกขาบทแต่วสิกขาบทนี้เป็นทุกขเวทนาอธินาทานสิกขาบทก็มีสมุทฐานสามตาจิตว่าจานจิตใจวาจานจิตเป็นตาจิตตะกะเป็นโลกวัชชาสัญญาวิโมกเป็นไกายกรมชีคําคเป็นอุปจัรจิตเกีตนาสามอธินาทานสิกขาบทนี้เป็นทุกเวทนาสิกขาบทที่แปดชื่อว่าเวหะสกุดีความว่า ในวิหารเป็งของสองเรืหารสุกดีคือกุฎีสองชั้นหรือสามชั้นพื้นบนไม่ได้เรียบชั้นล่างเป็นที่บริโภคสูงพอศีรษะมชิมบรุษไม่กระทบรอดคือพื้นบนทิตุใดนั่งหรือนอนบนเตียงหรือตังที่มีเท้าอันจดหรือร้อยเข้าในแน่แค่ไม่ได้กลึงสลักซึ่งเขาตั้งไว้ในเบื้องบนคือรอดชั้นบนเป็นปฏิจตี นับด้วยประโยคตามการ น, นั่งกันนอนโดยในอันกล่าวแล้วในอนุปคัชชะสิกขาบทอนุปคัชชะก็คือการที่รู้อยู่ว่ามีทิฐุที่เขาอยู่ก่อนแล้วก็จะให้เขาลุกขึ้นเข้าไปเบียดเตียดปูราบต่างๆที่นั่งที่นอนแล้วก็ไปเบียดเตียดให้เขาคลับแคบใจแล้วก็ออกไปนั้นสมุบถานต่างๆก็คงจะเหมือนกัน ต่อไปสิกขบทที่เก้าข้อ น, นี้ไม่ได้ต้องอบัตไม่ค่อยมีแล้วนะก็เลยไม่ได้แสดงรายละเอียดสิกขาบทที่เก้าก็คือมหันลกัะวิหารความว่าพิสุจะทําเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําหรือว่าต้อมแปลงซึ่งวิหารคือกุดีทาบวกทั้งข้างนอกข้างในก็คือทาเพิ่มนะไปฉาบให้มันหนาขึ้นทั้งข้างในข้างนอกเบื้องบนเบื้องตามด้วยปูและดิน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 พึงมุงหลังคาด้วยปูนหรือกระเบื้องหรือศิลาหรือหญ้าหรือใบไม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมุงเองสองชั้นชั้นที่สามพึงให้ผู้อื่นมุงถ้ามุงให้เกินสามชั้นไปไซต์เป็นตาสิตีพึงยืนในที่ปรากของเขียวด้วยคือให้พนหน้นนาไร่ที่เขาเพาะหวานผัวเป็นต้นถ้ายืนในที่มีของเขียวเช่นนั้นทำการทาและมุงต้องทุกกดกระต้นเหตุเป็นทางลงมา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 ไม่ได้มีการฉาบทาอย่างนี้แล้วใช้ปูนซีเมนต์นิดก็แข็งแรงอ่างมากในก่อนฉาบทาด้วยดินอะไรต่งางมันก็พังลงมาได้ต่อไปสิขาบทที่สิชื่อว่าสปานกักความว่าเีิกตุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เอารถหญ้ารถดินเองหรือให้ผู้อื่นเอารถเป็นปาจิ ต, ตีเทไม่ให้ขาดสายน้ำม่อเดียวเป็นปัจิ ต, ตีตัวเดียว รถให้ขาดสายเป็นปาจิตีนับด้วยประโยคทำคลองให้ตรงไปน้ำไหลแม้สิ้นวันหนึ่งเป็นอาบัตตัวเดียวเท่านั้นตั้งทำนบนำน้ำไปที่อื่นเป็นอาบัต์นับด้วยประโยคทิ้งหญ้าและใบไม้เป็นต้นแม้มากในน้ำน้อยสัตว์จะตายด้วยทิ้งหญ้าและใบไม้น้ำแห้งไปนั้นทิ้งด้วยประโยคอันเดียวก็เป็นอาบัตตัวเดียวทิ้งทีละสิ่งเป็นอาบัต์นับด้วยประโยคนับด้วยประโยคใช้ให้รถก็ตามเนี่ย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 สิกาบทขอนนี้ก็เป็นสารนติกะใช้ให้ลดก็เป็นนะมีองค์สี่ก็คือน้ํามีตัวสัตว์อย่างหนึ่งรู้อยู่ว่าสัตว์จะตายด้วยการรดเทอย่างหนึ่งแล้วก็น้ําคงจะแห้งไปอย่างหนึ่งรดหญ้าเป็นต้นด้วยกิจอันหนึง่งเว้นจากวัฏกะเจตนาไม่มีเจตนาฆ่าถ้าเจตนาฆ่าก็ตาสัตว์ตายบัปตาิตติอันนี้ไม่มีเจตนาฆ่าแต่ว่าเจตนาในการที่จะรดรดลงหญ้าที่ดินน้ําแห้งไป ตอนองค์สนี้จึงเป็นปัจจิตีสมุทานวิธีเป็นต้นกงเหมือนด้วยอตินาทานสิกขาบทแต่สิกขาบทนี้เป็นปัณณติวัชฌ์มีจิตสามเวทนาสามของอตินาทานนี่เป็นโล ก, กัปชะทัญญาวิโมกโลกัปชะแล้วก็เป็นกิริยาเหมือนกันแล้วก็เป็นกายกรรมวิชีกรรมเหมือนกันเพราะว่าสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นอกุศลจิตอตินนาทานเป็นอกุศลจิตแลก็เป็นเวทนาสามแต่ว่า สิกบบขาบทนี้เป็นจิตตามเวทนาสามเล ย, ยกุศลนกุศลนักยากตะก็เป็นได้เท่านั้นถ้าสมังจบดุติโยวัโคโวจบวัคที่สองอเอาแค่นี้ก็แล้วกันขอให้รักษาพระวินัยมีจิตใจเรื่องใสในเที่วศาสนาแล้วก็อบรมตรีศึกษาเพื่อที่จะกระทําให้แจ้งมรรคผลนิพพานขอให้เป็นตัปใจกับการบรรลุมรรคผลนิพพานในการอันใกล้นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ